วันนี้ก็เป็นวันมสองพันารยสามสิบสี่วันนี้จะคุยอะไรกันดีจะคุยสูงไปก็เกรงว่าคนใหม่จะไม่รู้เรื่องคนจะถามคนเก่าก็เกรงว่าคนเก่าจะลืมจะคุยต่ำไปก็เกรงว่าคนเก่าจะํำคาญนถามเข้าบอกจำไม่ได้อ เอาดีกว่าเก็บเล็กเก็บน้อยดีกว่านะเป็นว่าอันว่าวันนี้เราอธิบายกันเรงการเก็บเล็กเก็บน้อยด้วอย่างน้อยที่สุดตายชาตินี้ถ้าไม่ลงนรกดีไหมดีนะไอชาตนาไม่รับรองนะคำว่าชาตินี้ไม่ลงนรกมันหมายความว่าเราจะไปสวรรค์ไม่ยังต่ําแล้วก็ต้องไปได้ด้วย วิธีไปไม่ยากเดี๋ยวอันเดีย ว, ยวกันเพราะว่าถ้ามีหลายหลายท่านอาจจะคิดว่าทุกคนเกิดมาได้มีบาปขึ้นชื่อว่าคนมีบาปก็จะต้องลงอบายะภูมิอันนี้เป็นของธรรมดาแต่ว่าคนที่มีบาปเยอะๆไม่ลงอบายะภูมิก็มีอย่างองค์ริมานเป็นต้นฆ่าคนพันกว่าคนเศษ เมือ่อพบองค์ส้นเต๋าพระรมโลกกระเทพคือพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวมีความเลื่อมใสเขาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติจนไป้เป็นพระอรหันต์นั่น่าคุณนับพันคนนะแต่ว่าเวลานี้เราไม่พบพระพุทธเจ้าองค์จริงแต่ว่าองค์กรองก็ไม่ใช่เที่ยวปั้นไม่ได้ปลอมเปรียนนะพระพุทธปฏิมากรเปรียบเทียบพระพุทธเจ้า เราไม่พบพระเจ้าองค์งจริงๆเรทําไงทำยังไงถึงจะไปไปสวรรค์ได้ไปพุทธมรรคได้ปฏิพานได้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าส่งสอนไว้วันสุดท้ายก่อนที่จะนิพพานวันนั้นพระอนนท์เสียใจว่าองค์สมเด็จประจอมใจจะนิพพานท่านเองก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ยจึงเหลีหึงเียวพระเจ้าไปก็ร้องไห้ ก่อสลักมาต่างร้องไห้บองค์สมเด็จพระจอมใจทรงเรียกขมาเฝ้าก็เข้ามาเฝ้าท่านถามว่านนท์ร้องไห้ทําไมถ้านนท์กลาวพูดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมใจจนิพพานแล้วแต่ว่าข้าพระพุทธเจ้ายังเป็นเสข่าบุคคลอยู่คำว่าเสข่าบุคคลหมายความบุคคลต้องศึกษาถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เขาเรียกเสข่าบุคคลพระโสดาบันก็ดีพระสิกขาคามีก็ดีพระนาคาก็มี อนนี้ที่อาเสี ย, ยข้าบุคคลถ้าอาศัยข้าบุคคลคนไม่ต้องศึกษาคือพข้ารหารัตนั่นมายถึงจบแล้วในเมื่อข้าพเจ้ายังต้องศึกษาอยู่เวลานี้พระองค์ทรงเป็นรงปูก็จะนิพพานต่อไปก็จะไม่มีใครสอนข้าพเจ้าพระเจ้าตะละอา น, านันทาโดยก่อนอ น, นุ์ถ้าตถาคตนิพพานไปแล้วว่าทำไมวินัยที่ตาถาคตสอนไว้จะเป็นครูบาอาจารย์สนอนเธอ เห็นไหมจำได้ไหเป็นทางไหนถ้าทำในในที่พระเจ้าสอนไว้ทั้งหมด8ปดหมื่นสี่พันัข้อพระที่ว่า8ปดหมสี่พันรรมารำมาขันเรื่องหนึ่งเทว่ยวทำมาขันหนึ่งตอนหนึ่งเทว่ยวทำมาขันหนึ่งก็ไป่น่าตั้ง8ปดหมนสี่พันนี่เราไม่จะเป็นต้องปฏิบัติหมดทีด่พระเจ้าทรงเทศไปมากเพราะว่าเพื่อให้บอกอุปนิสัยของคน ผู้บริสัยเขบคนไม่เสมอกันบางคนก็มีบุญญาบารมีมามากบางคนก็มีบุญญาบารมีมาปานกลางบางคนมีบุญญาบารมีน้อยดังนั้นการสอนเหมือนกันไม่ได้คนที่มีบุญมากกต้องสอนมากท่านไง อ, อยา่จริงๆนะคนมีบุญมากต้องพูดมากคนมีบุญน้อยก็พูดน้อยทางไง ถ้าคนมีความรู้มากก็พูดมากใช่ไหมคนมีความรู้น้อยก็พูดน้อยอย่างที่พระเจ้าทรงเทศกับคณาจารย์ต่างๆคณาจารย์ต่าง น, าาางนิเทศยาวมากอย่างธรรมจกกักรกับพระวัฒนสูตรเทศกับัญจวากรีฤติทั้งห้านี่ยาวมากอาธิรบดีวิ ย, ยาสูตรเทศกับพระชจดีนี่ยาวมาก ถ้าเทค่คือคนทำนาธรรมดาซึ่งไม่ใช่อัจารยาจารย์ญเทศสรรั้นอย่างเทก่กขาว่าคะลิวัคคะิบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อเห็นนิฐาคตแค่นี้เห็นไหมอันนี้เรียกธรรมขันอย่างเงี้ครับเช่การเท่พระพุทธเจ้าใช่หลายแบบแล้วคนมีกําลังใจไม่สมอกันมีความเข้าใจไม่เท่ากันท่ น, นี้มาพวกเราเราพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมด ไทรมีบรมีแก่กล้าขนาดไหนอาตมากไม่ราราบท่นนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้สาย ก, กลางสายกลางวิธีปฏิบัติคือว่านักปฏิบัติทุกคนอันดับแรกท่านแนะนำไม่ใช่ลมหายใจเข้าออกก่อนอ น, นี้เนทิ้งไม่ได้นะแต่อาจารย์ใหญ่ในกรรมฐานสี่สิบอในธรรมะหาจิตฐานสูตรก็ตาม ทั้งสองอย่างนี้ท่านกำหนดให้ใช้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นใหญ่ขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตว่างจากนิวรณ์นิวรณ์คือกิเลสหยาบที่ทําบัญญายถอยหลังใกล้กับความดีขณะใดที่รู้ลมเข้าลมออกเวลานั้นชื่อจิตเป็นสมาธิเพราอว่าขณะใดที่จิตรู้ลมเข้าลมออกชื่อว่าขณะนั้นจิตว่างจากกิเลส รู้ลมเข้ารู้ลมออกเราไม่คิดจะไปะก่อมวยของใครเราไม่คิดจะไปฆ่าใครไม่คิดจะแย่งความรักของใครไม่ไมีไม่มีเวลาจีคิดโกหกใครไ ม, ม่เวลาที่จะไปดื่มลาสุราเมรอะไรขณะที่รู้ลมเข้าลมออกจิตจับโดยเฉพาะก็ว่างจากกิเลสหยาบห้าปราะการที่กิเลสทั้งหมดก็ถือว่าเวลานั้นจิตของเราเป็นบุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลมหายใจเขาออกกันความพุงง่งสร้างของจิตการจริงานระธานมีความสำคัญเราต้องระับความพุง่งสร้างแลว้วก็การรับพุ่งสร้างความพุ่งสร้างเนี่ยต้องรู้กําลังของจิตเพราะตามธรรมดาจิตของเรามีสองสภาพคนเดียวนะถ้าเวลาต่างกันบางเวลามันต้องการสงบถ้าจับลมหายใจเขาออกคํารนาควบกันมันจะทรงตัว ในการสงบสงกดีแต่บางเวลาจิตมันต้องการคิดเวลานั้นจับลมหายใจเขาออกอลมหายใจก็ออกนั้นจับไปไเรื่อยๆแต่ว่าจิตจะไม่มีการทรงตัวรู้ลมเข้ารู้ลมออกแต่มันอยากคิดอันนี้ต้องปล่อยให้มันคิดถ้าฝืนไม่ได้ฝืนยิงมีอาการกลุ้มคิดก็คิดอยู่ในขอบเข็งกับรรมฐานอย่างในกรรมฐานสี่สิบนั้นมีลมทรงตัวแค่สิบเอดอย่าง ถ้ามีอารมณ์คิดที่ยีบเก้าอย่างไปใช้กองใดก็ไหน่ก็ได้ในยีบเก้าอย่างคิดกองไหนก็ได้คิดตามแล้วในมห า, า, าสิทานั้สูตรก็มีหลายสิบตอนแต่ว่ามีามีกําหนดรู้การทรงตงัวอยู่ตอนเดียวคือนาปานุสตินอกจากนั้นไม่ลงคิดหมดฉะนั้นถ้าจิตมันต้องการคิดก็ห้ามมันคิดเอาคิดง่ายๆดีกว่านะคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ดีไหม้อบเผื่อตายไม่ชอบไหมก็ดีก็คิดว่าชีวิตที่ต้องตายดีคิดถึงความเป็นจริงนะให้คิดตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีทั้งโลกนี้ทั้งหมดมันต้องตายเขาก็ตายเราก็ตายไม่มีใครอยู่คำภาไม่มีใครอยู่คู่กับโลกถ้าโลกทั้งโลกหนึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะมีการสลายตัวเหมือนกัน ก็มันผูกมันทางไปทุกวันในเมื่อคนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมาจะต้องตายเราก็ต้องตายเหมือนกันนั่นก็คิดต่อไปวพราตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์ถ้าขานาจารย์ต่างๆเขาว่าศูนย์ก็มีพระพุทธเจ้าองค์แต่ไม่ใช่องค์เดียวนะ่ะพราหมณ์บางพวกบอกไม่ศูนย์พวกพราหมณ์ก็ถือครมเขาต้องการไปเป็นพรม พระเจ้าเราก็บอกไม่สนเหมือนกันท่านบอกว่าคนเราถ้าตายไปแล้วขนาดจะตายขณะนั้นถ้าจิตจับสิ่งที่เป็นกุศลถึงแม้ว่าจะมีบาปมาในการก่อนมากสักเท่าไรก็ตามทีแต่ว่าก่อนจะตายจิตจับบุญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ลมหายใจเขาออกอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่ หรือว่าภาวุพุโทโธหรือนรรมปัทะก็ตามสัมมารลังก็ตามเหมือนกันหมดอะไรอะไรก็ได้หรือว่าไม่คิดถึงกรรมาฐานคิดว่าเราเคยใส่บาทเราเคยบูชาพระเราเคยให้ทานเราเคยฟังเทศอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ารงมาจับอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นบาปจะเข้าแทรกจิตไม่ได้เลยบุญเขาขวางเมื่อบุญกขขวางได้เวลานั้น ตายแลจิตออกจากร่างก็ไปสวรรค์เห็นไหมแล้วก็อย่าลืมนะถ้าบุญหมดลงแรกใหม่ถ้าหากว่าเราในสมัยนี้ถ้าคนทุกคนมีความไม่ฉลาดมากเกินไปไม่ฉลาดมากเกินไปเขาเรียกว่างโง่นะอย่าไไรดีนะต้องฉลาดพอดี ไม่ฉลาดมากเกินไปก็ตั้งใจโดยเฉพาะมันจะไปได้หรือไม่ได้ก็ตามใจมันเราทําบุญทุกอย่างตั้งใจไว้จุดเดียวคือนิพพานเราบูชาพระก็ปรัถานานิพพานเราใส่ใายกปรัชนานิพพานเราสวดมนต์ก็ปรัชนานิพพานเราให้ทานแล้วก็หวังนิพพานเราจะเรียนกรรมฐานแล้วก็หวังนิพพานจิตจับไว้จุดเดียวว่าถ้าตายเมื่อไรเขาไปนิพพานจุดเดียว ตอนนีถ้าบังเอิญบุญนาอ่อนเราตายจริงมันไปนิพพานไม่ได้ไปได้แค่สวรรค์หรือผมมาโลกก็ไม่ใช่ของหนักใจเพราะว่าในกลับนี้ยังมีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่จะมาเ ร, เร็วนี้เร็ ว, รวนี้คือพระอภิอริยาเมสไตรอีกไม่นานเราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นผมไม่กี่ไม่กี่ปีนักท่านก็ออกมาเข้นมาในโลก ขณะที่เราเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมมีโอกาส ฟ, ฟังเทศมากกว่ามนุษย์พราะว่าเทวดานางฟ้าได้พรหมนี่ไม่มีงาน <c oughs> ไม่ต้องหุงข้าวจริงไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องถาจชระไม่ต้องถ่ายปัสสาวะไม่ต้องเอาเอมุ้งมากันยุงอะไรนะทุกอย่างในชะ่ไหมไม่มีความแก่ความเศร้ามันมีอะไรทั้งหมดเขามีแต่ความสุขเวลาที่เขาจะฟังเทศก็มีมาก ได้เท่าพระเจ้าเทพถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องนรกเขาก็มองเห็นนรกเทพถึงมนุษยเขาก็มองเห็นมนุษย์มนุษย์เกิดไม่กี่วันก็ตายพวกเขายังไม่ตายอย่างเทวดาเช่นดาวดึงนางฟ้าเช่นดาวดึงนี่ร้อยปีพวกเขาเป็นหนึ่งวันของเราเขาเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเช่นดาวดึงไม่ถึงครึ่งวันแคบแต่เลือกครึ่งวันพอดี <c oughs> เราก็ยุคเขาห้าสิบปีแล้วใช่ไหม ไม่ทันเต็มไปนักขาเราก็ตายเขาก็จะบองเห็นว่าการเต็มรถของเขาไม่แน่นอนความตายมีง่ายๆเกิดมาไปเดี๋ยวเดียวก็ตาย <c oughs> ถ้ายิ่งเป็นชั้นยามายิ่งแล้วก็เลยชั้นยามาเนี่อายุของเขาสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาชั้นดูสิสี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาเยอะไหมนะฮแล้วก็มีอายุมากอายุไข่มาก ดวงฟ้าถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าเป็นพรมฟังเทศจากพระสีอานจบเดียวอาศัยที่จิตใ จ, จตั้งไว้เพื่อ น, นิพพานอย่างน้อยที่สุดท่านที่ไม่เป็นพระโสดาบันจะได้เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนตายอันนี้ไม่ต้องห่วงละฟังเทศจบเดียวก็เป็นพระอาหารหันต์เลยไม่หวังนิพพานแน่นอนจะได้วิธีปฏิบัติจะปฏิบัติยังไง ในเมื่อเราเองทุกคนต่างคนต่างก็มีบาปถ้าเวลาจะตายได้จะบาปกับบุญนั้นสองประการจะมาชิงกันเข้าสนองใจหมายความว่าถ้าเรานึกเครืงบาปบาปจะเกาะติดไม่ยอมปล่อยมันจะดึงลงอบัยวะภูมิถ้าเรานึกเคืองบุญก่อนบุญก็จะเกาะติดบาปเข้าไม่ได้เหมือนกันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอีกอย่างหนึ่งเข้าไม่ได้ วิธีป้องกันก็คือว่าตามที่พระเจ้าส อ, สอนท่านบอกขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือบาปที่ทำมาแลในการก่อนอย่าตามนึกถึงปล่อยทิ้งมันไปเลยคิดอย่างเดียวเราเคยทำบุญอะไรบ้างยังเคยใส่บาตรเคยบูชาพระเคยสวดมนต์เคยฟังเทศน์อย่างอื่เคยให้ทานอย่างนี้เป็นต้นตามนึกถึงไปโดยเฉพาะ กิจมันก็จะมีอารมณ์ชินจะพราะบุญมันก็จะห่างเลยเรื่องบาปแต่นนี้ทั้งๆจะรู้ว่าบ า, บาปมันเป็นของไม่ดีเราคิดว่าจะไม่ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินห้าเราคิดว่าจะไม่ละเมิดบางทีกบเผลอไปละเมิดเข้าเมื่อละเมิดเขาแล้วก็ตกใจเมื่อตกใจก็ทิ่งมันใหม่ไม่ตามนึกถึงมันนึกถึงบุญต่อไป วิธีที่พระเจ้าสอนแนะนำง่ายๆนึกขึ้นมงคือว่าให้ภาวนาที่พุทธ า, านุสีกรรมฐานที่ใช้คํว่าพุทธโธแล้ว่าคําภาวนาใ้อย่างใดก็ได้นะขณะที่ก่อนที่เราจะภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าคําสอนทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าจะภาวนาพุทธโธก็ได้สมารัธิที่สุขโตก็ได้นิละมะวะทะก็ได้ตามใจชอบ ตาจิตของเราก่อนจะภาวนา น, น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเฉยเป็นพุทธานุสติภาวนาเนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์นี่การที่พระเจ้าแนะนําให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีกําลังสูงมากคุณยาที่การมากแม้แต่คนที่มีบาปมากๆแค่นึกถึงพระองค์อย่างเดียวโดวยไม่มีความเคารพมาก่อน ก็ยังสามารถปฏิพัน์ได้ตัวอย่างถ้าจะนึกถึงกุช น, นรงจะเริ่มเขาโทษแกล่งดึงชื่อ <c oughs> ตัวอย่างสุปฏิติตาเทพบุตรสุปฏิติตาเทพบุตรคนนี้ตั้งแต่เกิดมายันตายไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าไม่เคยให้ทาน ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยครบอะไรทั้งหมดความชั่วมีความดีไม่ปรากฏมีแต่ความชั่วอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้ากับการครบทนไอ้ข้าครบนี่ไม่เฉลือครบจะขาดครบขาดไม่เหลือสินห้าก็ขาดด้วยไฟธรรมะก็ขาด ยัเวลาใครนี่เขาทำบุญสุนทานกันเห็นแล้วแกล้งทาไปไม่เห็นด้ยินแล้วแกล้งทาไปไม่ได้ยินเป็นต้นแกล้งขัดขวางคนที่เขาทำบุญเวลาใกล้จะตายเข้ามาจริงๆเกิดทุกขเวทนาหนักก็มองดูทรัพย์สมบัติมองดูปัญญามองดูลูกผู้หญิงลูกผู้ชายข้าทายหญิงชายเขานั่งล้อมอยู่ ก็ น, นึกในใจว่าคนทุกคนนี่เขามีความห่วงใยในเราแต่ก็ไม่มีใครเลยที่สามารถจะระงับทุกเวทนาของเราได้อาการเจ็บปวดอึดเสียดเวลานี้มันมีแต่เราผู้เดียวทุกคนเขาสงสารเราเขาก็ช่วยเราไม่ได้ <c oughs> นี่เวลานี้เราต้องการใครบ้างที่จะช่วยเรานึกไปนึกมานึกไานึกไปเราคิดไม่ออก ไปนึกได้ว่าก็ลู้ก็ว่าพระสมณโคดมคือพระุทเจ้าของเราทรงมีพระเมตตาไม่เลื่ยงบุคคลใดไม่ว่าใครท่านจะทรงเคราะห์ท่านมีเมตตามา ก, มกมเวลานั้นจึงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าขอพร ะ, พร ะ, พระสมณะโคดมจงมาที่นี่จงสงเคราะห์ข้าพเจ้าให้หายจาก โ, กโกครคภัรไข้เจ็บจากทุกเวทนาในขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง ก็ตายในเวลานั้นแล้วก็ได้เจอท่านมาเพื่อจะในเมื่อตายจะเวลานั้นแล้ ว, ลวก็ไปอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนนะมือก็มันยกมือไหว้ในมือยกไม่ขึ้นนะนึกอย่างเดียวแล้วก็ไปในนึกจะมาบูช า, า น, นึกใช่ให้มาส่งเคราะห์รักษาหายโรคตายจากความมีคนเวลานั้นไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์จะเดาดึงกันเทวโลก มีวิมารทองคำไม่ได้อยู่มีนาำคาหนึ่งพันบริวารนี่แค่นึกถึงพระเจ้าแล้วไม่เคยเคารพมาก่อนนะหรือว่าตามที่อธินางกุกับพรามถามพระเจ้าพระสมณะโกดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระเจ้าก็ตอบว่าสมณนะดูก่อนพรามนะ คนนี้นึกถึงเชื่อเราอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายได้บเกิดบนสวรรค์ไม่เห็นนับร้อยนับพันนับเป็นโกดเนี่สุปฏิทิตาเทวดาก็เช่นเดียวกันอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าความจริงเขาเปนึกไปฝัวาเคารพนะเขานด้เคยมารักษาโรคเขาแต่บังเอิญปัญญ า, า, า, า, าดิการพระเจ้ามาธิบารีกว่าผูโตอัปปามานโนคุณของพระเจ้าหาประมาณไม่ได้ จึงไปหเหยียดาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันเดาดึงเทวโลก <c oughs> แต่ว่าอาศัยที่เขามีบุญใหญ่แต่ว่ากําลังบุญน้อยผริม้เขาบุญน้อยบุญนี้นึกถึงพระพุทธเจ้ามีค่าสูงสุดแต่ว่ากําลังมีเวลานิดเดียวถ้าเวลาที่เขานึกเวลาไม่นายก็ตาย <c oughs> ฉะนั้นการเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันเดาดึงเทวโลก ยิงเป็นเทวดาที่มีอายุไม่เต็มอายุไขหมายความอายุไขเทวดาบัรฑ์เจะดาวดึงเนี่ยมีอายุพันปีทิพย์ถ้าปีนะหนึ่งร้อยปีเขาเราเป็นหนึ่งวันสาสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดย์เป็นหนึ่งปีถ้าพันปีทิพย์มักี่ปีของเราอายุไม่เต็มอายุไข เวลานั mm. ้นเป็นเวลาที่ใกล้เขาจะต้องจติลมะเกิดก็เป็นเวลาพอดีที่องค์สมเด็จวะสัมมาทัพพเจ้าขึ้นประเทศโปรภตมันดาพอดีขณะที่พระเจ้ากำลังเทศอยู่ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมีนามว่ากาศจารีเทพบุตรเธอฟังเทศประเดียหนึ่งเธอก็หอกไปคําว่ากาสจารีเนี่ยไม่จะเชื่อไม่เชื่จริง เป็นแค่ชื่อการเจริยาเพาะวปชะกศว่าพ่อเอ้ยไม่เอ้ยขออยวิมา น, นี้เวลานี้พระเจ้ามาโปรดแล้วไปฟังเทศกันไปต่อบุญบ <c oughs> ารมีปรรกาศทั่วไปเทวดาต่างๆได้ทราบต่างคุกต่า ง, าางมานางฟ้าก็มากันก็ไปพบวีมานหลังหนึ่ง <c oughs> มีสภาพเศร้าหมองตานธรรมดาเทวดาจะต้องจดตินหนึ่งวิมานเศร้าหมองสองเครื่องทิเศร้าหมอง สามีเหนือหกก่นอยจะรักแรอยางนี้เป็นต้นแล้วสี่หมดบุญห้ามหมดอาหารก็สังเกตดูว่ า, า, าวิมานเศร้าหมองก็ทราบว่าเทวดาวนี้จะต้องจุดติภายในเจ็ดวั น, <c oughs> นะที่ฉร้อนตะโกนถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานนี้ <c oughs> แกจะตายภายในเจ็ดวันทำไมไม่เป็นฟังเทศสร้างสมบ ร, รมีต่อสมุตติติตาเทรดนไปด้วยความเป็นชิพ ก็ติ้งเสียงก็ตกใจมองดูตัวเองเห็นเฟื่องทิพซ่อมองเห็นเหงื่อไหลจารักแรแน่ใจต้องตายแน่แล้วเมื่อเขาคิดว่าเขาต้องตายแน่ก็อยากจะทราบต่อไปด้วยอรมณ์มิจิสว่าถ้าตาตายจากความเป็นเบวดาก็จะไปไหนก็ทราบตัวกําลังใจที่เป็นที่ว่าถ้าตาจากเทวดาแล้วเราต้องลงนรกอันดับแรกลงอเวจีมานรก ข้าใส่ฆ่าสัตว์เป็นอาชินกรรมขโมยเขาเป็นอาชินกรรมเป็นชู้ลูกเขาเมียเขาเป็นอาชินกรร ม, นนมก็หกเวอิกรรมดื่มสุรามีไรเป็นอาินกรรมดีไหมไฉโดดีก็ไปนะไปไหมอ้าวนื่จาไปโถจะดาวซาเตอร์ต่อมาก็แกก็ตกนรกทุกขุมนรกไปขุมตกหมด บริวารขุมรักสี่ขุมตกหมดยมโรกียรักอีกส0ขุมหมดเป็ดสิบสองจพวกหมดสติฉานทุกประเภทที่ฆ่าเข้ามาแล้วเท่าไรตายเป็นสัตว์ประเภทนั้นตายจำนวนที่คือฆ่าเอาไว้เข้ามาดีไหมดีนะแล้วต่อจากนั้นไปก็เกิดเป็นสัตว์พิเศษเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นพิเศษเป็นหมาบ้าห้าร้อยชาติ แล้วก็แล้วก็วัเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนหุ้นโดนห่ห้าร้อยชาติตาบอดห้าร้อชาติเป็นง้อยห้ารอชาติาดีไหมตอนนี้เธอก็ทุนแล้วก็อะไรนให้เกิดเป็นคนหุ้นโห้าร้อยชาติเนี่ยเวลานี้ครับฟังเทศต้องทำกันอยู่เธอก็สนทนาธทมอยู่ส่งเสียงกลบเสียงธรรม อย่างนี้เขาหุห้นห้าร้อยชาติตาบอดห้าร้อยชาติเขาทาบุญนั่งสงก็อยู่เห็นแล้วแก้งทําไปไม่เห็น <c oughs> <c oughs> เป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเพราะใส่กันดืม่มโซดาทำไปไรเป็นคนก้อยห้าร้ยชาติเพราะใัยกันฆ่าสัตว์ชีวิตใ <c oughs> ส่ของกรรมนะ <c oughs> จึงจะมาเป็นคนปกตินานไรไม่รู้กี่กับนับกลับไม่ตัวแล้วนะ ในเมื่อรู้ตัวแบบนี้แล้วก็แทนที่เหงื่อจะไหลแค่รักแล้เนี่ยมันเลยไหลท่วมตัวใช่ไหมก็บอกอาการปราชีบอกเพื่อนเอ๋ยช่วยด้วยเราถ้าตายแย่แล้วท่านปรจาชีก็บอกว่าแกก็แค่เป็นเทวดาฉันก็เทวดาช่วยไม่ได้หรอกคนที่จะช่วยได้ที่มีคนเดียวคือนายของเราคือพระอินเขาพากระเบหามาอิน พี่อิบอกฉันเป็นนายเธอแต่ว่าฉันก็ไปเทวดาไม่กันช่วยไม่ได้พี่บอกว่ามีองค์เดียวที่ช่วยได้หรือไม่ได้คือพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าอีกองหนึงช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้ก็พาเขาไปหาพระพุทธเจ้าพระอินก็กราบทูลความเป็นมาให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าท่าตถาคตเทศอวิธธรรม จะมีผลก็เทวดาองค์นี้ไหมก็ทราบว่าถ้าเทพทำไม่มีผลแน่เธอจึงตุติตุติลงอาเวจีตันที่แล้วมาท่านก็นั่นก็เทศอะไรดีท่าบถึงทราบว่าถ้าเทศอุณหิสิพย์ยสูตรจะไปที่ชอบใจเทวดาองค์นี้ท่านยังเทศอุณหิทิพย์ชายสูตรพอจบสุปติทิตาเทพบุตรก็บรรลุพระสสดาบันทันทีใช่ไหม นี่เป็นว่าคนที่ไม่เคยทําบุญเลยสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวถ้า น, นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเขานึกถึงนิดเดียวเขาก็มีเวลาไปเทวดาน้อยแต่เป็นโสดาบันในเมื่อเป็นโสดาบันเนื้อบาตต่างๆก็ยกยอดกันไปหมายความบาปไม่มีโอกาสจะดึงให้ลงอบายภูมิต่อไปอีกจะมีการบินไหวแต่เกิดแค่มนุษย์กับเทวดาทุกพรหมไม่กีินใช้กับไปนิพพาน ถ้าสำหรับวันดาแต่พรพุทธบาิใส่ก็เช่นเดียวกันวันนี้เราพูดกันเรื่องกันรกแบบง่ายๆนั่นคืออย่างาให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้อย่างท่านที่ได้มโนยิธิภาวนาวนามะวะธานี่ยไม่ค้นพระพุทธเจ้านะเราไปถึงพระพเจ้าเองใช้ได้ดีมากท่านที่ไม่ได้มโนยิธิก็นึกถึงพระพเจ้าไว้คือภาวน า, ว พ, วนาวพุทโธ เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าอยู่ใกล้พระพุทธรูปให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบภาวนาไปด้วยนึกถึงภาพพระ ถ, ถึงภาพตนด้วยถึงว่าการภาวนานั้นจะใช้เวลาไม่นานก็ไม่เป็นไรทําให้เป็นจินตกรรมอย่างน้อยที่สุดก่อนจะรับภาวนาพุโทโธทั้งสิบครั้ง ตื่นขึ้นมาใหม่ๆภาวนาพุโทโธทุกสิบครั้งเอาแค่ น, นี้พอทำให้คณะผู้ทนของจอมเทียอย่างนี้ทุก ว, วันต่อไปแ้่อารมณ์มัชินสมาธิมันสูงขึ้นก็จะมากกว่านั้นต่อไปถ้ามากกว่าภาวนาแค่สบายภาวนาไปภาวนาไปเพราะเรืองความจิตเริ่มบุ่นวายจะ ก, กระสับสัยแล้วก็เลิกเชื่ถ้าทำอย่างนี้จิตจะชิงในคำว่าพุทโธคือชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเวลาก่อนที่ทราจะตาย ท่านจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าก่อนวายสวรรค์ก่อนอรามนาพระพุทธไวิสัตย์ทั้งหลายท่ญญานยายบอกว่าเวลาพอดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานวกรรมฐาน